ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อยางเป็นการสั่งลาญาติธรรมนะยามใดที่ได้พบปะพูดคุยสนทนากับญาติธรรมไม่ว่าจะเป็นคําถามคำถามญาติธรรมถามขึ้นมาเนี่ยคำถามของญาติธรรมทุกคนในที่ถามมามันเหมือนอย่างเป็นการท้าทายความสามารถของเราเราก็ยินดีจะตอบทุกคําถาม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 ชีวิตของผมนี่มันเป็นช่วงระยะสุดท้ายแล้วเจ้ว่าเป็นเป็นการสั่งลาก็ว่าได้ชิ้นสุดท้ายผมก็ตั้งไว้ว่าจะอยู่ได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นละ ว, วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นวันใดก็ตามเราอาจจะต้องจากกันการจากกันไปแต่ละครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความระลึกถึงกันคลาใดา ความรู้สึกดีๆก็จะเกิดขึ้นที่จิตใจของเราคราวนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายกับจะที่ทําถ้าบางทีเราสั่งลางลาไม่ทัน